เจริญพรทุกท่านฟังธรรมะนะไม่ใช่ฟังเล่นๆคนโบราณนลฟังเขาชอบไปฟังเทศที่วัดฟังตามประเพณีไปที่วัดแต่ก่อนนะคนแก่ๆไปวัดเอาตะ บ, บัดหมากไปดนะ้วยถึงเวลาพระเทศน์นะก็ตัมหมากจินไปคุยไปพระก็เทศไปต่างคนต่างทาหน้าที่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 มาณนั น, นะยาวยาวนานมากเลยนี่กว่าท่านจะตัดสู้ได้นะกระทั่งในชาติสุดท้ายเนะี่ยอุตชาหออกจากวังมาไปนั่งสมาธิกะลือศีนั่งอยู่ไม่นานก็จบหลักสูตรกะลือศีนั่งสมาธิได้ก็ไม่บรรลุธรรมท่านก็พบว่าตอนเข้าสมาธิมันก็สบายดีกิเลสมันไม่ขึ้นมา ออกจากสมาธิกิเลสมันก็กลับมาอีกท่านก็ออกไปหาด้วยตัวเองเป็นทรมานร่างกายทรมานอยู่หลายปีท่านเกือบตายสลบไปเลยก็มีจนทงท่านค้นพบทางสายกลางลงมือปฏิบัติจริงๆใช้เวลาไม่มากแล้วนี่งั้นที่ท่านได้ธรรมะมานะท่านเอาชีวิตเข้าแลกมา มันธรรมะเป็นของสูงนะเรียกว่าแลกมาด้วยชีวิตของพระโพธิสัตว์เลยพวกเราเมื่อฟังทำแล้วอย่าเอาแต่ฟังเล่นๆเพลินๆฟังแล้วก็ทิ้งไปนะปีหน้ามาฟังใหม่อย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์เลยฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติไม่เคยมีศีลต้องมีศีลไม่เคยฝึกสมาธิต้องฝึกสมาธิ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 เยาว่าสี่งข้อเสียรักษายากมุสาวาดนันมันไม่ใช่แค่โกหกมุสาวาดนี่มีพูดสอดเสียดด้วยพูดสอดเสียดคือพูดให้เขาทะเลาะกันพูดทางนี้ทีพูดทางนี้ทีอาจจะพูดเพลาะนะพูดกับคนนี้ก็เพลาะพูดกับคนนี้ก็เพลาะแต่ว่าพูดแล้วเคาตีกันอย่างเนี้ยเรียกว่าพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์สิ่งที่พวกเราเป็นก็คือพูดเพอเจอร์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 รับราชการใหม่ๆสีน้อยๆเนี่ยผู้ใหญ่มันไม่มีศีนะตกเย็นมันก็ชวนเรากินเหล้าถ้าเราไม่กิน น, นะไม่มีปัญหานะหลวงพ่อไปใช้วิธีกินกับกินโซดา <c oughs> <c oughs> กินโค้กกินอะไรกันไปเขาอยากกินเขาช่วนไม่ได้นะเรื่อเราค่อยๆฝึกจนกระทั่งคนเขารู้ว่าสแตนดาร์ดของเรามาตรฐานเราเป็นอย่างนี้ไม่กินพอเราซีใหญ่ขึ้นมานะใครมานั่งโต๊ะเราก็ไม่กล้ากินเหมือนกัน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 ถ้าถึงระดับนี้นะราคาโทสะไม่เกิดแต่ถ้าจิตหลงไปแล้วเรายังรู้ไม่ทันสักพักหนึ่งก็เกิดราคะเกิดโทสะเราไปรู้ว่ามีราคามีโทสะเกิดขึ้นถ้ารู้ตรงนี้นะราคาโทสะร็ครอบงําใจไม่ได้ก็จะไม่ผิดศีลเหมือนกันถ้ารู้ได้เร็วควรจะรู้ตั้งแต่โมหะถ้าโมหะคือใจที่หลงเนี่ยเรารู้ไม่ทันมันจะเกิดราคาโทสะแต่าราคาโทสะเกิดเรารู้ทันตรงนี้ก็ไม่ผิดศีลเหมือนกัน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 สติปัฏฐานคือมีสติระลึกรู้กายนะระลึกรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นรระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมที่รวมกันมาเป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าสติปัฏฐานรู้รูปธรรมนามธรรมนั่นเองถ้าเราไม่มีสติปัฏฐานซะ อ, อย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นพูดให้เจ้าฝันพงขณะนี้เพราะเรื่องสติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลย เบื้อตอนอยังไม่ถึงขั้นสติปัฏฐานให้มีสติรู้ทันกิเลสก่อนนะกิเลสอะรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันตัวอย่างนี้พวกเราเรารู้จักโลภไหมโลภเป็นไหยโลภอย่างมาที่นี่ใช่ไหมเขามีของกินให้กินใช่ไหมนะกินแล้วเราเพลิดเพลินพอใจในการกินนี่ก็โลภนะอนะกินแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกปากไม่อร่อย งานงวนหีดนักอุตส่าห์นักรถมากินทั้งทีไม่อร่อยอะไรเงี้ยนี่ยโทสะเนะนี่ยแค่นิดนิดเดียวนะราคาก็เกิดโทสะก็เกิดเดินตากแดดมามีความสุขไหมแดดร้อนจัดเมืองเพชรเนี่ยร้อนมากเลยนะแดดเปรี้ยงๆเดินมาใจไม่มีความสุขเนี่ยโทสะก็แซกแล้นะพอดีเมฆมาบางร่มพัดเย็นๆมาสบายแค่นี้ราคาก็แทกแล้ว ราคาโทษะมันแทกตามเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกมีความสุขนะราคาก็แทกมีความทุกโทษะก็แทรกเนี่ยเราคอยฝึกกนะิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันพวกเรารู้จักกิเลสอยู่แล้วโกรธเป็นยังไงเราก็รู้โลภเป็นยังไเงไรเราก็รู้นะหลงเป็นยังไงเป็นยังไงเราก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เป็นยังไงเราก็รู้รู้บ่อย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 เดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดจิตเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดเดี๋ยวเราพ่อจะหยุดพูดให้ดูนะจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งแล้วเราเราอย่าคิดนะลองลองไม่คิดดูซิลองดูคิดไหมคิดคิดทังนั้นนะบางคนคิดฟุทโธพุโธบอกเนี่ยไม่ได้คิด้วคิดฟุโธแหละนะก็คิดนั่นแหละจิตมันชอบคิดนะ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 อยู่ในพระสูตรที่สองนะชื่อสามัญญผลสูตรดูสิสสำคัญถนา น, นั้นนะอยู่ในสูตรที่สองเลยทำไมท่านสอนพระเจ้าชาติศัตรูถ้าให้มีสติรู้ทันอย่างนี้าตาชาติศัตรูเป็นกริย์เป็นนักคิดนะนักบริหารอย่างพวกเราเนี่ยทุกวันเนี้ยเราไม่ได้ทำไร่ทำนานนะส่วนใหญ่เราทำงานที่ใช้ความคิดเอา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 มันไห L ลเรารู้มันไห L ลเรารู้อย่ารักษามันนะบางคนพอมีจิตตั้งมั่นเรารักษาจิตเอาไว้ตัวนี้จิตจะแข็งแข็งื่อๆใช้ไม่ได้เลยเป็นมิจฉาสมาธิเป็นอีกแบบหนึง่งงี้เราคอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสัอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลรู้บ่อยๆนะซ้อมวันหนสักสิบห้านาทีเราไปพอชำนาญขึ้นอาจจะเพิ่มรอบเช้านะเพิ่มรอบเช้าอีกสักสิบนาทีอะไรเงี้ยหรือกลางวัน กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปเดินมานะแต่คอยรู้ทันจิตนะเดินให้อาหารย่อยเดินสบายๆไม่รีบร้อนนะเดินไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็รู้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยทำกรรมาฐานอย่างนี้นะอย่างน้อยวันหนึ่งรอบหนึงสิบ้านาทีต้องทำให้ได้ไม่งั้นนะพาวนาลำบากสมาธิไม่มีคารวะเนี่ยขาดสมาธิอย่างร้ายแรงนะ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 นุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจขี้คล้านไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สืมไม่ทื่อสมาธิที่ไม่ดีเนี่ยจิตจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อเนะี่ยงั้นเรฝึกนะอาศัยสติสติรู้ทันราคะสติรู้ทันโทสะอย่างเงี้ยศีลมันก็เกิดสติรู้ทานจิาาตที่ฟุ้งซ่าน ส, าสมาธิมันจะเกิดแต่ถัดจากนั้นเราก็อาศัยสติมาเจริญปัญญา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 ความปรุงดีปรุงชั่วไม่ดีกันหนึ่งจิตอยู่อีกเป็นดีกันหนึ่งโอกาสที่จะแยกอย่างนี้ได้ก็เกิดขึ้นพวกเราจําหลวงตามหาบัวได้ไหมสิ้นไปหลายปีละนะหลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยนะบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าจเจริญปัญญาเนี่ย ก, ก่อนที่จะแยกธาตุแยกขันได้นะจิตต้องมีสมาธิมีความตั้งมั่นซะก่อนจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูดูอะไร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 อิรบถเป็นตัวปิดบงังทําให้เราไม่เห็นตัวทุกข์ในร่างกายเนี้ยนี่ถ้าเราอยากเห็นความทุกข์นะเราลองอย่ า, ยาเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถต้องนั่งนิ่งๆนั่งนานๆนพ่งนานๆสักเดี๋ยวๆก็เมื่อยแ ล, ะนะแล้วนะเรก็จะเห็นเลยว่าทีแรกมันไม่เมื่อยนะต่อมาความเมื่อยเกิดขึ้นจิตมันเป็นคนดูอยู่ทีแรกไม่เห็นมีเมื่อยนะเมื่อยกับจิตน่ะคนละอันกันนะจิตมันดูอยู่ก่อนแล้วไม่เห็นเมื่อยเลยพอความเมื่อยมาทีหลังมันจะรู้เลยว่าความเมื่อยกับจิตนี้คละนกัน นะอย่างนี้ก็ได้นะคือเห็นกายอันนึงจิตอันหนึง่งเห็นเวทนาคือความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยอะไรเนี่ยก็จิตเป็นคนดูนี่อีกอันหนึง่งมีอันนึงเป็นคนดูอันนึงเป็นผู้แสดงแยกอย่างนี้ใช้ได้นะ อ, อย่างน้อยต้องมีผู้ที่เป็นคนดูคือจิตอยู่อันหนึ่งก่อนแล้วอีกอันนึงเป็นตัวแสดงค่อยๆฝึกเราถนัดอะไรเราอันนั้นแหละนะถ้าถนัดดู ก, กายที่เรียกว่ากายานุปัสสนาท่านสอนบอกว่า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 ความสุขเป็นของถูกรู้นะใครเป็นคนรู้ว่ามีความสุขจิตเป็นคนรู้ว่ามีความสุขพิสูจน์ทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะอะไรมีราคาราคะราคะเป็นสังขารขันเป็นตัวที่แสดงให้เราดูราคามันผ่านมาหรือโทสะมันผ่านมาใครเป็นคนรู้ว่ามีราคะรู้ว่ามีโทสะจิตเป็นคนรู้ใช่ไหมจะมีจิตที่เป็นคนรู้ เราต้องฝึกให้ได้จิต ท, ที่มีเป็นคนรู้นะตัว น, นี้ยสาคัญมากเลยถ้าเราไม่มีเนะ่ยอย่ามาโมอะไรเรื่องสติปัฏฐานนะทําให้ตายก็ไม่ใช่สติปัฏฐานหรอกมันไม่มีตัวรู้งั้นตัวรู้ได้มาจากอะไรได้มาจากการรู้ทันว่ามีตัวหลงไงล่นะนะใจหลงไปเรารู้หลงแล้วรู้เราก็ได้ตัวรู้ได้ตัวรู้แล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานจิตเป็นคนรู้ เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปจิตเป็นคนรู้เห็นความดีความชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนรู้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาแล้วเรามีสมาธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลเราก็มาเดินปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้นั่นสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดาสมาธิที่ดีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิเร็วๆมีแยๆไปมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เริมเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ทําให้เกิดปัญญานะทําให้ปัญญาอ่อนด้วยซ้ําไปนะนั่งไปแล้วเห็นผีมาอืออย่างโน้นอย่างนี้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นหมดเลยนะเห็นหวยเห็นเบอร์เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดเลยไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองเท่านั้นนันก็เลยมรรคผลนิพพานมีไม่ได้หรอกนะงั้นสมาธิต้องให้ถูกนะจิตตั้งมั่น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 เห็นถ้วยไหมใครเห็นถ้วยเป็นเราว้าปรึกษาจิตแพทย์เลยนะอะไรที่มันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราหรอกมันของง่ายๆเท่านี้เองงั้ยถ้าจิตเราตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้มันจะเห็นนะทุกอย่างนะไม่ใช่เราหรอกตัวเราไม่มีหรอกเนี่ยค่อยหัดรู้หัดดูไปนะเนยปัญญามันเกิดถึงวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบแล้วมรรคผลจะเกิด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 เราไม่ใช่นั่งภาวนานะแล้วก็ขาดสติวูบลงไปตื่นขึ้ น, นมาแล้วก็บอกว่าบรรลุโสดาเนีย่ยนั้นไม่ได้นะมีเยอะเลยประเภทนั่งแล้วก็บรรลุไปแล้วนั่งต่ออ้าววุบที่สองอได้สกกตาขาแล้วชั่วโมงเดียวนะได้พระอราหันต์ไปสิบรอบแนละ้วเขา ก, ก็กึ๊บกรึบไปเรื่อยเงี้ยเลี้วไหลมากเลยนะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะบางคนนะมันั่งไปแล้วจิตดับ นั่งไปมากหรือเดินเดินจงกรมอย่างหนักเลยนะจนมันเครียดสุดขีดเลยสเตรสมากมกดดันมากๆกดดันตัวเองมากมากนะจิตทนไม่ไหวนะจิตจะหลบดับความรับรู้ลงไปจิตที่ดับความรับรู้ลงไปนะจะเหมือนกับไม่มีจิตนะคือไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งๆอย่างนี้แล้วบอกว่านี่ บ, บรรลุมักผลเพราะไม่มีจิตเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยขณะที่บรรลุอริยมรตมีจิตนะชื่อมรคจิต ขณะที่บรรลุอริยผลก็มีจิตนะชื่อผลละจิตมรรคจิตผละจิตรวมกันทั้งสี่สิบดวงสี่สิบชนิดนะนั้นไม่ใช่ไม่มนะีนั้นเวลาที่เกิดอรยยมรรคเนี่ยยังเหลือจิตอยู่ร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่สําคัญหรอกแต่เหลือจิตอยู่นะเนั้นไม่ใช่วุบหมดสติไปแล้วก็บรรลุวุบไปหลายหลายทีก็บรรลุได้เยอะหน่อยเหลวไหลนะเป็นความเหลีวไหล เวลาที่บรรลุมรคผลมีจิตนะจำไว้นะเรียกว่ามรคจิตผลและจิตอพอสมควรล้วสี่สิบห้านาทีก็เทพจนถึงมรคผลแล้วนี่นะเทพจนถึงมรคผลแล้วต่อไปนี้สี่ห้าต้องให้ได้นะไม่อยงนั้นอย่ามาคุยอวดเลยว่าจะเอามรคผลนะ่ะสี่ห้าอยากก่างกระพร่องกระแกลงนะถามจริงๆอ่ะใครคิดจะตั้งใจรักษาสี่ห้าบ้างมีไหมเออตั้งใจแล้วก็พยายามทํานะ มันไม่ได้ยากนันหรอกอาศัยสติเนี่ยรู้ทันกิเลสนะใครคิดจะปฏิบัติทำต่อบ้างยกมือซิเอางี้เอ า, เอามือลงซื่อเลยนะใครคิดว่าฝังเล่นๆแล้วจะไม่ปฏิบัติอ่ะยกมือสิมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะ <laughs> ถ้าปฏิบัตินะเราจะได้ผลเราจะรู้ได้ตัวเองหลวงพ่อเข้ามาในห้องนี้นะหลวงพ่อก็สอดสายสายตาดูไปเรียบร้อยละ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 นี่ต้องพ่อจะดูว่าจริงหรือไม่จริงก็จริงอยู่นะนี่ยอกยังยกสิเออไม่เห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปจริงจริงดูไม่ยากหรอกหลายคนบอกเลยว่าภาวนาแล้วนะสวยกว่าเก่าอันนี้ไม่ได้โกหกกันเลย แล้วเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะจิตมันจะดีดตัวพางออกมาเลยะเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ฉุกเฉินกบชีวิตจะเสียหายไปเนี้ยจิตมันจะดีดตัวออกมาส่งตัวมีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาเลยมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอยู่เรื่อยๆนะมีบ่อยมากเลยอย่างบางคนไปผ่าไทรอยนะเมื่อไม่กี่วันเองประเทศเมื่อวานอาทิตย์นะมีหมอคนหนึ่งไปผ่าไทรอยแล้วก็มันเกิดผลข้างเคียงเนะี่ย มันทำให้แคลเซียมเนี่ยตกแคลเซียมตกเนี่ยเป็นตะคิวทั้งตัวแค่เป็นหมอเนี่ยแครู้ว่าใกล้จะตายโอกาสจะตายมีเพราะร่างกายบีบลงไปนะอ่อนเรียร้อสั่นไปหมดแล้วคุมตัวเองไม่ได้บอกจิตมันดีตออกมาเป็นคนดูและเห็นร่างกายจะตายจิตไม่เป็นคนดูมันไม่ตกใจสักนิดเลยอย่างเงี้ยถ้าตายแล้วไปสุคติแน่นอนเลยจิตทรงสมาธิขึ้นมาหรือเวลาลดคว่ำลดไงลูกศิษย์หลวงพ่อหน้าใจร้อน ชอบขับรถเร็วรถคว่าเนี่ยมาเล่าให้เราฟังบ่อยทีแรกมาลือในแบบว่าหลวงพ่อนีิปฏิหานพระของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์บอกเองไม่ได้แปรพระเลยยังไม่เห็นเป็นไรเหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรจิตที่มันฝึกไปดีพอเกิดอันตรายกับชีวิตที่มาจีตมันดีดตัวออกมาเป็นคนดูนะมันเห็นเลยรถกําลังหมุนอยู่รถหมุนไปหัวกขาเลยจะโขกะไรเนี้ยเอาหลบซะหน่อยอะไรเงี้ยนะไม่ค่อยเป็นอะไระอันนั้นเป็นเพราะว่าเราฝึกของเรานะเราฝึก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 อ่ะใครจะส่งกันบ้านกาบนามัสการซะคะ่ะโยมปฏิบัติอยู่แต่ว่าไม่ทราบว่ายังปฏิบัติผงทางอยู่ไคะจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมปกติอไม่ไม่เหมือนกันเออถ้าไม่เหมือนก็ถูกร <laughs> ตรงนี้มันเพ่งอยู่นะ <c oughs> ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะให้ระวังอันหนึ่งก็คือจิตจะถึงฐานหรือไม่ถึงฐานเครดูตัวนี้ใครรู้ฐาน รู้ตัวอยู่แต่จิตไม่เข้าฐานก็มีนะนะถ้าระวังตัวเนี้จิตจะอยู่ข้างนอกนะระวังไว้ทาไมจิตไม่เข้าฐานสมาธิไม่พอเวลาที่เราจเจริญวิปัสสนาะนะเช่นเราเห็นอารมณ์เกิดดับเนี่ยที่จิตเคลื่อนตามอารมณ์ออกไปแล้วอารมณ์ดับไปนะจิตไปว่างๆอยู่ข้างนอกจิตไม่รู้ทันเลยว่าตัวเองอยู่ข้างนอกนะตรงนี้วิปัสสนูปะกิเลสจะเกิดบางทีมีแต่ความสุขล้วนๆเลยสุขอยู่ได้นานหลายๆวันเลยนะ มีความสุขเยอะไหมช่วงนี้ช่วงนี้มีความสุขจ้ะค่ะจิตมันไม่เข้าบ้านจิตมันไปสว่างโล่งสบายอยู่ข้างนอกตัวนี้ชื่อว่าโอภาสสว่างสว่างสบายรู้สึกัหมสว่างสบายเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งวิปัสสนูมีสิบตัวนะส่วนที่นักดูจิตเจอเนี่ยทุกคนเลยแทบทุกคนที่หลวงพอ่อเคยเห็นมาคือเจอโอภาสจะเป็นสว่างว่างอยู่ข้างนอกไม่เข้าบ้าน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 จิตสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้หัดรู้สภาวะไปได้คนฟุ้งซ่านคนช่างคิดเนี่ยสิ่งที่ตามความช่างคิดมาคือความสงสัยสังเกตไหมต้องคิดก่อนแล้วสงสัยใช่ค่ะใช่เพราะงั้นอย่าไปหลงคิดมากให้คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดแต่หนูก็โทรสะเยอะมากเลยค่ะดีดีดีเลนดูหลายอย่างดีแต่หนูเห็นแล้วค่ะว่าโทสาโทรสะมันมีหลายดีๆมากเลยแค่ความขัดใจหรือความโกรธแบบ กมันก็มีอาการอีกอาการหนึ่งแล้วก็เวลาที่ราคะมันเกิดก็จะเป็นอีกอาการนึงถูกเวลาที่โทสะมันจะผลักออกมันจะติ้นเล่นแล้วผลักออกแต่เวลาที่มันมีราคะมันใจจิตมันจะตะคบเข้ามาค่ะเห็นถูกแล้วล่ะนะจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปก็คือเรื่องของความฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านให้รู้ทานจิตที่ฟุ้งซ่านบ่อยๆถ้าสมาธิดีกว่านี้ก็จะพัฒนาเร็วกว่านี้ ก็ทุก <Survey> วันนี you huh? ้หนูก็จะเดินจงกรมทุกวันนะคะแต่ว่าหนูหนูจะเน้นเดินเยอะตอนช่วงกลางคืนแต่ว่าระหว่างกลางวันเนี้ยหนูจะหยดกระปุกด้วยการ5้านาทีสินาทีแล้วแต่มีโอกาสอะค่ะดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะงแต่ว่ามาถามหลวงพ่อว่ามีจุดดอนอะไรอยู่จุดดอนคือฟุ้งเก่งนะไปแก้ตัวนี้เลยค่ะก็หนูก็ตั้งใจจะปฏิบัติบูชาถวายพระเจ้าถวายถวายหลวงพ่อแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่หนูตั้งใจประพฤติปฏิบัติ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 จัดมาตั้งนานแล้วจัดมาเรื่อยๆจัดแล้วยังเลี้ยงขนมซิ่งนะพวกเราก็มาใช้พื้นที่ได้ฟังธรรมได้กินฟรีนะพ่อนาอย่าให้เป็นหนี้เขานะพ่อนาเจ้าของบ้านเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เราหัดปฏิบัติธรรมถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเขาก็ได้บุญด้วยนะเ ข, เขาเข้าเกื้อกูลให้เราได้ทำดี ถ้าเรามาฟังทำแล้วเราก็มากินหนมเข้ากลับบ้านไปเล่นต่อเราเป็นหนี้นะเอะเป็นหนี้อ้าวว่ามาตามนิมัสการหลุกเพาะปารโมดปารโบชโชนะครับอูเรียกซื้อเต็มยศเลยก่ อ, อ, อนอื่นขอ <c oughs> เข้ามาพระอาจา ร, รย์ปาร์โมดปาโมโชนะครับทั้งอดีตและปัจจุบันทั้งตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะครับเอออย่างดีนะบางคนบอกที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดิ่งเตี๋ ง, ง, งไง มันที่มีแต่เรื่องไม่ดีครับเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะครับฟังซีไปได้แล้วล่ะฟังซีดีพระอาจารย์มาประมาณหนึ่งปีนะครับก็ปฏิบัติทั้งในรูปแบบและแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็ฝึกเอาถูกแล้วแต่ใจยังฟุ้งเก่งอยู่นะงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ถ้า ม, มีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จิตนี้ไปแล้วรู้บ่อยๆสมาธิมันจะได้ดีขันนะมันแยกได้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 รูทันอย่างนี้นะครับจะทำต่อไปขอถวายการปฏิบัติตลอดชีวิตเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอารยาบูชาแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วยครับโอสชาธุวันนี้บ้านขนมเนี่ยรวยบุญก <laughs> าบนมัสรรรกา ร, ราาพระอาจารย์ปราโมทนะคะก็ขอเข้ามา คือถ้าเกิดมีเอเอเกิดอะไรก็ช่างขมหมาเอารับทราบนะ ก, ก็เป็นภรรยาของคนเนี้ค่ะก็ปฏิบัติมาด้วยกันทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจําวั น, น่ะค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ก็คือตอนนี้ก็อยากให้ก็เห็นสภาวะทําเกิดนน ด, ดับในขณะขณะแล้วก็ก็อยากให้หลวงพ่อช่วยเห <He 's S 1> ็นสภาวะก็ดีนะ แต่ว่าจิต ท, ที่เห็นสภาวะเนี่ยต้องเป็นจิต ท, ที่สบายสบายนะไ ม, ไม่ได้เห็นสภาวะด้วยจิต ท, ที่แข็งๆนะอย่างกรรมฐานที่พวกเราชอบไปฝึกกันนะั้นเป็นกรรมฐานบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจแรงไปมันจะเครียดถ้าใจมันเครียดสัอย่างเดียวเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะจิต ท, ที่เครียดเนี่ยคือโทสะมูลจิตงั้นอย่างภาวนานเดินจงกรมก็เครียดมากเลยจิตกำลังเป็นอกุศลอยู่ถ้าตายตรงนั้นไปอบายเลยนะ อบยัยงั้นเราหัดรู้สภาวะรูปนามไปรู้ด้วยจิตใจที่สบายจิตใจที่ผ่อนคลายจิตเบาเานุ่มนวลอ่อนโยนนะแข็งไปนิดหนึ่งไอของเก่าที่ฝึกน้ำฝึกเพ่งนะอย่าเพ่งแรงขอบพระคุณพระอาจารย์สมตการหลวงพ่อครับเป็นไงบ้าง <c oughs> ปีนี้ผมว่าผมจะไม่มีสภาวะทรงหลวงพ่อเนี่ย <c oughs> ไม่มีสภาวะธรรมะทรงหลวงพ่อเยออเหรอไม่มีก็ไม่มีแต่มีคําถามพ่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปภาวนาไปจากจิตผู้รู้ที่ว่าเคยตั้งมั่นดีกลับกลายเป็นจิตที่ว่ารู้ธรรมดาเนี่ยตรงนี้ฟุ้งไปฟุ้งนะจิตมัฟุ้งสัน้นะครับผมสมาธิมันหย่อนไปมันไม่สงบเลยนะตั้งแต่หลวงพ่อบอกเมื่อปีที่แล้วให้ทำปับสงบมันไม่สงบเออต้องทําหน้าไม่ทําไม่ได้หรอกจิตไม่มีแรงครับผม เราอย่ไปคิดเรื่งสงบทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง<ม>แล้วรู้ทันจิตไปทําไม่ได้หรอกพ่อพยายามนะอยากทำ <c oughs> คือว่าเวลาที่อยู่เวลาที<ม>่อย<ม>ู่กลางานทุกวันกลางวันทำงานเอางี้สิผมเจริญสติมันคือมันบริกรรมไปตอนตั้งแต่เช้า่าบริกรรมไปบริกรรมเจริญเมตตาไปนะเมตตาคุณางอารหังเมตตาเมตตาคุณางอารหังเมตตาบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมสบายๆนะ บริกรรมแล้วจิตหนักก็รู้จิตเบาก็รู้จิตสุข ก, ก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ช่วยตัวเองนิดหนึ่งสมาธิมันเสื่อมแล้วอย่างหนึ่งโดยธรรมชาตินะคนเราเนี่ยพออายุเยอะขึ้นนะ่ะสมองมันจะเสื่อมสมองมันเสื่อมเนี่ยมันสงบยากนะใจมันจะวอกแวกวกแวกไปนี่เราบริกรรมช่วยมันนิดหนึ่งการที่เร้มันมีสติทั้งวันทั้งแต่ตั้งแต่เช้าจนหลับมันทาให พุ้งซ่านมากหลงไปพงไปต้องทําสมาธิขึ้นมาแล้วเจริญสติรวดไปเลยใช้ไม่ได้นะเหมือนขับรถอะเหยียบแต่คันเร่งอะมัเจรินมันเองไม่เอาเราต้องเบรกมันนะกรรมาบริกรรมไม่ไม่เจริไม่ว่าผมจะขยับอะไรนั้มันจะเป็นสติไม่เป็นแล้วมันไม่ใช่ตัวจริงละไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้วมันหลงเใจมันไหลใจมันไม่มีแรงนะอะไม่มีแรงมันย่ำใจไม่มีแรงเนี่ยบอกเนี่ยเจริญสติ ไม่ใช่นะจิตมันไม่ไม่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเนาะถ้ามันไม่ตั้งมั่นเหมือนเก่าเออต้องฝึกสมาธิเป็นของเสื่อมนะถ้าเราไม่ฝึกอ่ไม่ซ้อมมันจะเสื่อมงั้นต้องซ้อมบริกรรมเมตตาไปตั้เนี้ยเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาครับบริกรรมเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวผมนี่มันยนต์เมตตาหรือเปล่า มันยน้อนทางด้านเมตตาหรือป่า <c oughs> มันจะขี้โมโหส่สิบริกรรมเมตตาไปครับบริกรรมเมตตามีข้อดีนะเทวดาชอบแต่ชอบแล้วเทวดาจะไม่ให้หวยนะอถ้าให้หวยแล้วก็แสดงว่าเทวดาเกลียดเทวดาจะรักนะบริกรรมเมตตาพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคุณของเมตตาไว้ทั้งสิบว่าอย่างหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขใช่ไหม หน้าตาผ่องใสถ้าตายไปก็มีสติอะไรเงี้ยสอนไม่ตายด้วยสาราวุธยาพิษอะไรเงี้ยนะสัตว์ร้ายก็ไม่ทำร้ายอะไรเงี้ยครับเนี่ยไปฝึกเข้าวริกรรมไปเดี๋ยวสมาธิกลับมาก็มาทำต่อตอนนี้สมาธิเสื่อมเจริญปัญญารวดไม่ได้นะเจริญปัญญารวดไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันเหมือนมีดทึ่ง มีมีดทื่อๆไปฟันต้นไม้แล้วป๊อกป๊อป๊อกไปเลยได้ต้นไม้จักระจีไม่ขาดออกนผมตรงสายยุคนันมันมีสิ่งแปลกๆที่ว่ามันดูไม่ออกอย่างกรณีที่ผมนั่งกินข้าวมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมาแต่ละอย่างนะมันสับเปลี่ยนกันมาครมันมันเห็นนะแต่ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นมันเลยไม่ตัดออกเห็นอยู่งั้นเห็นสังขายไปไปเพิ่มสมาธิขึ้นรู้สึกไหมตอนเนี้สมาธิเพิ่มขึ้นละ ครับูออคุยกับหลวงพ่อพักเดียวว่าสมาธิก็มาแล้ว <c oughs> นะกรรมนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะไหนค่ะหต้องขอขอบคุณหลวงพ่อค่ะที่ทำให้หนูพ้นทุกข์ได้เมื่อหลายปีก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็หนูส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะ <c oughs> หนูรู้สึกว่า สวยงามซ่านมากแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมีสมาธิแล้วก็ขี้โมโหขี้โกรธ ด, ด้วยอะค่ะเราไม่ห้ามนะแค่จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ชอบอยากให้หายโกรธรู้ว่าอยากอนะไรเงี้ยรู้ทันจิตของเราไปสบายๆ ส, สังเกตไหมว่าเราเห็นแล้วว่าความรู้สึกทั้งหลายกับจิตเป็นคนละอันกันดูออกไหม อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเป็นละนะแยกอย่างน้อยได้สองอันละ เราเห็นความโกรธกับจิตนั่งโค่นล้านกันความสุขความทุกข์กับจิตก็โค่นล้านอย่างนี้คือเรียกว่าแยกออกแล้วแยกแล้วพอแยกขันได้เราจะเห็นนะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตก็ทํางานเองไม่ใช่เราอีกถ้านุกก็รู้สึกบบว่าพี่มีความสึกว่ามันคิดอะไรที่ไม่ดีไม่ดีหรืออะไรพวก น, นี้ไปเห็นได้มันคิดได้เองใช่ดูไปน้าแล้วมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีเมื่อมันไม่มีตัวเราเนะมันจะมี ความทุกข์อยู่แต่ว่าไม่มีผู้เป็นทุกข์ขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของนะแล้วก็กขอบคุณท่านคณะผู้จัดแล้วก็ทุกทุกท่านที่ทำให้เกิดงาน<ม>ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะดีเขาจัดนะก็เ ร, เราได้ประโยชน์เขาก็มีคุณมีบุญคุณรเร า, ราเราคิดถึงคนที่มีบุญคุณกับเราเรีก็่กัตตัญจูนะ กัตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนอักกัันยูกเป็นเครื่องหมายของคนชั่วเท่านั้นเองง่ายๆนะไหนคนไหนความนวัตการหลวงพ่อคะ่ะสุกับป้ากันที่สามค่ะครังที่สามเหรอดีขึ้นไหมครั้งที่สามดีขึ้นค่นคะแต่หลวงพ่อก็คือคือครั้งก่อนนั้นที่เคยถา ม, ามป้าเรีนถามหลวงพ่อว่าที่ว่าสภาวะที่ว่าหลวงพ่อบอกว่ามันยังเข้าไม่เป็นมันตกกระแทก ทีนี้หนูก็ไปทําตามที่หลวงพ่อบอกสิ่งหนึ่งคุ้มต้านมันมันมันไม่เข้าภาวะนั้นอีกเลยแต่มันมีภาวะใหม่เกิดขึ้นมาคือมันมีภาวะที่ว่ามันมันเหมือนว่าเราอะรอบๆตัวเราเนี่ยผิวหนังเราอะไรเงี้ยล้อมๆตัวเราเนี่มันอุ่นๆแล้วก็มันนิ่มๆเบาๆลมหายใจที่เข้าที่ออกมันก็จะยาวๆเบาๆนิ่มๆนวลๆประมาณนี้แต่ทีนี้เราก็จะไปติดเพ่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่ง เราก็ทําต่อเรื่อยๆค่ะมันหายไปอืมทีที่หายมันมันหายไปหนูก็พยายามตามนี่หนูตามอยู่เป็นปีเกือบ ป, ป, ปีมันก็ไม่มาไปตามมาทําไมอ่ะหนูก็ไม่รู้มันคืออะไรไม่ต้องไปเอาคือหน้าที่เรานะให้รู้สภาวะทั้งหลายที่กํำลังปรากฏเมื่อรู้สภาวะทั้งหลายแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันนะเนี่ยเรามมดแต่ไปหลงจะหาสภาวะในอดีตนะ S <S พุ้งสั้นอย่างนี้ไม่ดีนะเราปัจจุบันแล้วมีอยู่วันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาปนะุ๊บ ม, ม, ม, มันมาของมันเองอะไรนะพอพอตื่นขึ้นมาพวกเรารู้ลมยังยังไม่ทันตื่นตาเออมันมาของมันเองเออมันรู้ได้เองเกาไม่แปลกอะไรแล้วก็มีอยู่วันหนึง่งนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงตัวเองกลืนด้วยเออ ด, ดีดีกว่าได้ยินคนอื่นกลนแล้วก็เมื่อวันกันที่ผ่านมาการเรื่องอุบัติเหตุ คือประมาณว่ามันเกิดอุบัตเหตุเราก็ไม่ได้กันนึกมันแตมันเกิดเหตุอะค่ะเราก็เกิดตายอหมายว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์มันตกลงไปในร่องร่องคือประมาณช่องน้ําริมทางแล้วข้างๆเป็นผิวป่าไอ้สี่ข้างรถมอเตอร์ไซค์มันก็กระแทกผิวป่าตลอดถ้าเราเบนคไม่ฟ้อมแน่แล้วข้างหน้าเป็นต้นโพจิดมันก็เฉยเออนั่นแหละจิตมันจะเกิดสมาธิอัตโนมัตินะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะมันไม่กลัวหรอก ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดว่าอืมอาจจะตายนะแค่นั้นนะคะนั่นแหละฝึกเบียงนั้นแหละมันเป็นเองอถึงตายตอนนั้นนะก็ไปสุขติเนะี่ยคือสงสัยมันทําไมไม่ยินดียินไลยอะไรไม่เป็นเพราะจิตจะทรงสมาธิอัตโนมัติถ้าฝึกเบี่ยงที่หลวงพ่อสอนนะฝึกสติสมาธิอะไรพวกเนี้ยแยกขันไปเนี่ยถือจุดนั้นแล้วขันมันแยกเลยแสดงว่าผูกทางไม่ด้ยเออถูกอยู่ต้องฝึกอีกนะก็ น, นี้ฟุ้งไป พงเยอะค่ะแต่หลวงพ่อเขาเนิ่มแค่นี้รู้สึกไหมว่าชอบคล่าครวนด้วยกใช่ให้รู้ทันเพราะใจมันชอบคล่าครวนนะเอนับปฏิบัติต้องเข้มแข็งอย่าครวนมากก็ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาอาจริย่าบูชาสังฆบูชาแล้วก็ก็แผ่ทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าของบ้านอนตะวังด้วยเจ้าของเว็บไซต์ด้วยแล้วก็เพื่อนเทุกคนในห้องนี้ขอให้ได้รับตลอดชีวิตนะคะอื เราต้องทําดีตลอดชีวิตแล้วนะ่ะเราไปให้เขาตลอดชีวิตแล้วกับรัชกาลหลวงพ่อค่ะอันนี้ส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะส่งครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่ลา ม, มาค่ะเออใช้ได้ตอนค่ะรู้สึกไปดีกว่าเก่ารู้สึกไหมก็รู้สึกว่าดีกว่าเก่าช่องนี้คือติดเบิกบานม<ช>ากขึ้นไม่รู้ว่าหนูแบบติดสุกอป่าแต่ว่าหนูหนูเบิกบานไม่ติดสุขนะมันเบิกบานของมันเองแต่ว่าใจเราไม่ได้เข้าไปชอบมันหรอกค่ะ ใช่ค่ะอย่างนี้รู้อย่างนี้ถูกค่ะเหมือนว่าคือหนูต้องสารภาพบาปว่าหนูไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรเลยค่ะแต่ว่าคือมันมันทีพอสภาวะเริเกิดมันก็จะรู้ของมันเองอ ไ, ไอ้แน่นแหละเรียกว่าปฏิบัต<อ>ิอไอ้ที่นั่งจ้องเอาจ้องเอาเรียกว่านั่งทรมานตัวเองค่ ะ, ะแล้วหนูขอเล่านิดนึงค่ะคือเมื่อวันหนึ่ ง, <c oughs> ห, นงหนูตาบผ้าตอนกลางคืนนะคะแล้วหนูมองไปบนท้องฟ้าแล้วอยู่ดีแบบดาว ดาวบนจักรวาลก็ไม่อยู่ในตัวหนูหรูอหนูมโนไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าอยู่ดีมันก็สุกขึ้นมาเห็นอะไรไม่สําคัญนะสําคัญถ้าเห็นแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขถ้ามีความสุขแล้วชอบรู้ว่าชอบจะไม่ติดนะถ้ามีความสุขแล้วเกิดชอบแล้วไม่รู้ว่าชอบอย่างนี้ถึงจะติดของหนูยังไม่ติดหรอกค่ะแล้วหนูต้องไปพัฒนาอะไรไหมคะไม่ต้องคิดเรื่องพัฒนาณะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย แล้วมันจะมีความสุขอยู่ช่วงแรกๆนี้เท่านั้นแหละต่อไปจินจะเข้าอุเบกขามันจะเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเวลาที่เราหัดใหม่ๆน ะ, จะเจริญสติจเจริญอะไรอย่างเงี้ยจีนได้สมัธิส่งตัวเด่นดวงขึ้นมาจะมีความสุขแต่พอมันเป็นบ่อยๆจีนมันชินนะจะเป็นอุเบกขาไม่ต้องตกใจนะแล้วต่อไปอ่ะเห็นทุกข์คือช่วงก่อนร้านี้หมุเห็นทุกข์ มัเยอะค่ะวีร์ที่หนูส่งหนูพ่อบอกว่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลของสิ่งภายนอกอะไรประมาณเนี้ยต่หนว่าตอนนี้คงไม่มีแล้วมั้งคะรู้สึกตอนนี้เราสบายเราก็ดูเอานะมันอยู่ที่บุญให้ผลมาเราก็สุขสบายอากุศลให้ผลมาเราก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติใช้ได้เภาวนะดีก็ผมครับขออืว่ามาเลยนมัสกัดจะบกวาขอการ เมื่อตอนปีใหม่พระอาจารย์แนะนำว่ายังฟุ้งอยู่ก็สามเดือนผ่านไปดีขึ้นบ้างไหมครับรู้ตัวเอง<ช>ไหมลนะ่นนะก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้น ร, รู้สึกมากขึ้นเออต้องอย่างนะ้นนะแต่ว่าฟุ้งเนี่ยมันพร้อมจะกลับมาเราต้องภาวนางเราสม่าเสมอ น, นะทำไปตลอดชีวิตเลยทั้งในรูปแบบแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็ยามจะรู้นั่นหลั่นแหเนืงอง่าไปค้นคว้าธรรมะมาก กะรได้ทำก็คือเรื่องฟุ้งเหมือนเดิมหรอือเปล่าตัวนี้เป็นกิเลสหลักของเรานะแล้วเราทําสมาธิทําแรงของเราสม่ําเสมอสามเดือนที่ทํามาเนี่ยจิตมีสมาธิเยอะขึ้นแล้วแต่สมาธิเป็นของเสื่อมะถ้าเราทอดทิ้งมันก็จะเสื่อมทําอีกไปทําทุกวันใช้ได้อขันมันแยกแล้วดูออกไหมเมื่อก่อนนะอย่าว่าแต่จยะแยกขันเลยนะ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 พวกเราฟังซีดีดูยูทูบอ่านหนังสืออะไรเนะียเรามาถึงจุดที่คนที่แยกขันได้เนี่ยนับจํานวนไม่ท้วนนะเราแยกขันได้ถ้าแยกขันได้คือเราจะเริ่มทําวิปัสนาได้แล้วนะเราก็จะเห็นขันแต่ละขันแสดงใจลักไปนั่นแหละคือวิปัสนานะถ้าขันมันไม่แยกภาวนาไม่ได้จริงต้องแยกรูปนามได้ ต่อไปข้างหน้าว่คนคงจะเข้าใจธรรมะเยอะขึ้นนะเพราะเริ่มเดินมีปัชนากันละอ้าวว่ามาคนไหมาสการหลวงพ่อทวนน้นก็มีใหม่คือก็ได้ติดตามอ่านหนังสือใช้ได้เนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ทาสมาธินะคะแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากทําสมาธิก็แผ่เมตตาแบบแบบอภัยมารยาคือไร้ขอบเขตและประมาณ หลังจากแผลเสร็จก็กราบนั่งท่าเทพธิดาเนี่ยค่ะกราบพราะกบกับพระพุทธกรบพระพุทธูปอะค่ะก็บพระพุทธาทำประสง์แต่ในขณะนั้นมีความรู้สึกว่าจิตเรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสูงค่ะขณะกราบเสร็จครั้งสุดท้ายเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแบบมีเม็ดเหมือนเม็ดเม็ดไฟเม็ดเป็นกลมๆอยู่ที่ตาแล้วก็สปาร์ควิ่งไปวิ่งมาสัก ขยักหนึ่งก็คิดว่าอันนั้นก็คืออาจจะเป็นนิมิตแต่ว่าก็ไม่ได้ติดก็ดูอยู่ในที่มืดป่ะอยู่ในที่มืดป่ะอยู่ในที่สว่างที่สว่างถ้ามืดๆเนี่ยบางทีเห็นวิ่งไปวิ่งมานะต้องไปตรวจสายตานะคือเจอภาษาตามปนเสื่อมหลังจากตรงนี้ผ่านไปก็ก็เหมือนเราคิดว่าคือนิมิตแล้วตัวเองไม่ได้ชอบนิมิตคือคือแบบ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 ถ้าทรงอยู่อย่างนั้นแนะจมเฉนิ่งแจ่มเฉนิ่งไปเรื่อยๆนะต่อไปบางทีเห็นโลกเกิดดับนะไอ ต, ตัวเนี้ยเที่ยงอยู่เนี้ยตัวรู้มันจะคงที่อยู่นะแล้วเราจะไปรักษาตัวรู้ไว้ตัวรู้เองก็ให้มันเกิดดับด้วยตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยจะมีความรู้ในการแบบว่าต้องดูว่าเกิดกับอะไรนะคะก็เลยแบบถ้าสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราจิตเริ่มเป็นสมาธิขึ้นม เวลามันเกิดสมาธินะในระดับอุปจาระค้างอยู่เนี่ยนะโลกนี้จะนิ่งๆไปหมดเลยเห็นอะไรก็นิ่งๆดูคนนะมันจะเป็นอยู่เนี้ยนะแ ล, แล้วอย่างนี้ควรจะไปต่ อ, อยังไงคะรู้สึกตัวอันนั้นยังไม่รู้สึกตัวจริงนะจิตม่ติดสมาธิติดอารมณ์ของสมาธิอยู่มันนิ่งมันแค่อย่างนี้เรียกว่าแค่ระดับสมาธาเป็นสมาธา เหมือนเหมือนเดินปัญญานะไม่เดินจริงหรอกมันเห็นทุกอย่างแสดงใจรับนะแต่จิตเที่ยงก็สงสัยว่าทาไมถึงเป็นตอนตอนตอนตื่นตอนปกติที่เราก้าวเดินคือเราไม่ได้นั่งอยู่เออเราไม่ได้จงใจสิสมาธิเกิดเมื่อไม่ได้จงใจถ้าจงใจไม่เป็นหรอกหลวงพ่อพูดใคยสอนนะว่าสมาธิเกิดเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเกิดเมื่อหมดความคิด พรวิปัสนาคือการเห็นนะไม่ได้คิดเอาวันแล้ยังค่ะนมาสการค่ะวันนิยมไม่ได้ส่งการบ้านแต่ยงกราบขอพระคุณหลวงพ่อที่เพระคุณกับลูกอย่างสูงแล้วก็กราบขอบคุณจะไปดูสภาวะน ะ, ะดูแบบไม่เข้าไปยุ่งกับมันนะดูสบายสบายต้องสบายกว่านี้น ะ, ะนวันนี้ดตึกเครียดไปวันนี้เพ่งมากเลยไม่ออทราบ ปล่อยไม่ได้ปกติจะดีกว่า น, นี้ปล่อยไม่ได้เราเพราะถือไม้อยู่แล้วกก่าวขอพวบคุณเจ้าของบ้านตะวันที่เอื้อเฟือ้อคนเพชรบุรีตลอดมาค่ะขอบคุณค่ะดูเอานะใจขันมันแยกเป็นเน้วล่ะใจมันยังฟุ้งเก่งอยูค่ะกลับ น, นมัสการค่ะหนูเคยพิจารณานะคะตามพระต่ายรกันนะคะ แล้วก็มันมีอารมณ์ขนาดหนึ่งอะค่ะผ่านรู้สึกว่าทุกอย่างมันหายไปอ่ะค่ะมันเวร์วางแล้วก็ไม่มีอะไรไปที่ยึดเนี่ยวสําหรับเราอะแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีก็มาเกาะต้นเสาวข้างๆตัวเองไหมเหมือนกับปัญหาที่ยึดเือีล้วปัญหาะะที่เกาะค่ะหลังจากนั้นก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าทุกๆอย่างนะคะมันเป็นทุกข์อะค่ะก็ตอนนี้ก็พิจารณาแล้วก็มันใจเป็นมีความยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราไม่ทราบว่าจะต้องยังไงต่อ ค, คะพัก พ่อคะพอนาให้สบายๆนะะพอนาเป็นสบายๆ อ, อย่าให้มันเครียดอย่าจริงจังจริงจังเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะมักไปพอนาพอนาไปสบายๆใจเราก็มีความสุขนะเห็นรูปเห็นนามสแสดงใจรักไปใจเราสบายๆอันนี้พอ น, นาแบบจะหักคอกิเลสให้ได้ไม่ใช่เอาอ่ะพรนาเพือ่อ <c oughs> จะเอานะ ให้ดูเอาไปนับเพื่อจะได้เห็นความจริงของรูปนามไม่ได้พาวนาเอาอะไรดูสบายๆรุนแรงไปรู้สึกไหมเออลดความรุนแรงลงพอสมควรละอะรับผ่อนนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครัง เอวามีวาอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเปเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันททปนรโสยัถามณีโชติรโสยัถาสภีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาศีลสนิจจงอุทธาปจายิโน จตารโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังฟางธรรมธนานะทั้งผู้จัดทั้งผู้ฟังนะเจอกันข่อไปต้องดีกว่า น, นี้นะ